จริงๆแล้วอ่ะแต่ละองค์ก็มีจุดร่วมสิ่งที่เป็นจุดร่วมจริงๆของแต่ละองค์เนี่ยคือจุดที่เรามีสตินั่นแหละพอเรามีสติปุ๊บมันพ้นออกมาจากโลกของความคิดในขณะนั้นน่เป็นความปกติ นิดหนึ่งล้พอเราชำเลืองมองได้ไหมทางานทําการอะไรไปก็แวบมาดูจิตเป็นยังไงจังหวะที่เราชำเลืองมองดูจิตเราเนี่ย น, นั่นแหละคือสติก็คือรู้สึกตัวแล้วจิตเมื่อกว่างการชำเลืองมองที่ผมบอกเช็คอารมณ์อันนี้เป็นเรื่องเดียวกันเลยการชำเลืองมองเช็คอารมณ์เป็นยังไงดูจิตปกติไหมนี่เป็นสิ่งเดียวกันหมดในระหว่างที่พี่ทําสิ่งนี้พี่หลุดออกจากความคิดแล้ว ถูกไหมพี่จะมองดูจิตตัวเองสังเกต ถ, ถ้าพี่จะดูจิตตัวเองพี่ต้องรู้สึกตัวขึ้นมาเลยปุ๊บทันทีถูกไหมถึงจะดูจิตตัวเองได้ไม่งั้นพี่ดูไม่ได้ใช่แต่แค่แวัฒนั้นนั่นแหละที่ผมบอกมันสะสมไงที่บอกเป็นเกล็ดน้ําตาลเล็กๆนั่นนะมันสะสมเขาถึงบอกว่าให้พี่ชำเรืองมองทั้งวันดูบ่อยๆ บ, บ, บ, บ่อยเท่าไหร่เท่าที่ดูได้เพราะว่าในขณะ จิตแต่ละคนเนี่ยคล้ายๆว่าฝึกมาระดับไม่เท่ากันคนนี้ฝึกมาบ่อยเวลามาพูดก็บอกว่าเห็นได้ต่อเนื่องหรืออะไรก็ตามอีกคนหนึ่งเพิ่งเริ่มก็บอกว่าเห็นได้ทํำไมได้แวบๆได้นานๆทีเอา้าวก็ธรรมดามันสะสมมาไม่เท่ากันคือแต่ว่ามันเป็นจุดเดียวกันที่ไปสังเกตคําสอนครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าเราตัดคําพูดบางองค์ไม่ชอบใช้คําศัพท์นี้บางองค์ไม่ชอบใช้คําศัพท์นี้เอ่อ แต่ถ้าไปสังเกตให้ดีทุกองค์มันรวมกันที่พ้นจากโลกของความคิดก็คือความรู้สึกตัวนี่แหละและไอจุดนี้แหละมันจะพัฒนาไปมันพัฒนาจากความรู้สึกตัวพอมันพัฒนาจากตรงนี้ปุ๊บบางองค์ก็มองไปมุมไตรลักษณ์บางองค์ก็มองไปมุมของความว่างให้พัฒนาจุดนี้เห็นมันเอาไว้ให้เห็นมันอยู่บ่อยๆเห็นมันอยู่จนมันเห็นมันตลอด สั้นๆของพุท ธ, ธก็คือว่าการพ้นไปจากความปรุงแต่งทั้งปวงนี่แหละเรียกว่าเป็นพุท ธ, ธแล้วเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าการเห็นความเป็นปกติอยู่เนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าความเป็นพุท ธ, ธเนี่ยในพุท ธ, ธนั้นน่ะไม่มีอะไรมันไม่มีอนิจจังไม่มีทุกขังไม่มีอนัตตาด้วยจะว่าไม่มีก็ไม่ใช่มันก็อนัตตาคือไม่มีคนท่านในพุท ธ, ธก็ไม่มีคน มันเป็นคำสับแบบมันไม่รู้จะพูดยังไงมองในมุมของความรู้สึกตัวเนี่ยเมื่อไหร่เรารู้สึกตัวเนี่ยภาพเป็นปกตินี่มันเกิดขึ้นแล้วแต่มันเล็กๆเราก็หมันรู้สึกตัวบ่อยๆจิตมันจะไม่ค่อยสนใจกับความปรุงแต่งเท่าไหร่เพราะมันรู้ความปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นเหมือนความมืดมันเป็นเหมือนมัวๆมันจะรู้สึกเหมือนอึมครึมมันจะทําให้เป็นทุกข์ได้เหมือนเวลาที่ทุกข์อ่ะพี่รู้สึกว่าจิตพี่ก็ ขมขขโมมันเป็นไหมมันรู้สึกแต่มันไม่ได้เห็นมันขมุขขโมยแบบนั้นแต่มันรู้สึกแบบนั้นมันไม่โปร่งโล่งอะไรแบบเนี้ยความเป็นพุทธะเนี่ยไม่มีสว่างไม่มีมืดหรอกในความเป็นจริงความว่างมันก็เออมันก็อยู่อย่างนั้นของมันแหละมันไม่มีสว่างไม่มีมืดมันเป็นทวะหนึ่งที่มันไม่มีอะไรปกติราบเรียบไม่มีสิ้นไม่มีลงไม่ใช่ว่ามันสว่างหรือมันมืดก็เมื่อก่อนผมฟังไม่รู้เรื่องหรอกคาว่าเต็มโลกธาตุ ก็คือว่าเมื่อไหร่ที่พี่เข้าถึงความว่างนั่นแหละที่เป็นหนึ่งเดียวกับความว่างนั่นแหละคือเต็มโลกธาตุไม่มีไปไม่มีมาแต่ที่รู้ขึ้นในพุทธะเนี่ยไม่ใช่ว่ามีสว่างหรือมีมืดมันเป็นอย่างนั้นของมันดวงอาทิตย์เกิดขึ้นมันก็สว่างเพราะมันอยู่ในทุกสิ่งทุกสิ่งเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงมันเป็นหนึ่งเดียวกันบนความว่างนี้แหละลูบนมหมุนอยู่ต่อเนื่องตลอดเวลาสิ่งของต้องแก่ต้องเก่าเงี้ย มันก็เป็นเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของมันเป็นแบบนั้นแต่ทุกอย่างก็หมุนอยู่บนความว่างนั่นแหละเพราะฉะนั้นพอเราเข้าถึงความว่างปุ๊บทุกอย่างไปเป็นเอกภาพเดียวกันเพราะมันเป็นหนึ่งเดียวกันเพียงแต่ว่าสิ่งต่างๆที่ตั้งอยู่บนความว่างนี่เป็นเหมือนอาการเป็นเหมือนต้นไม้อ่ะแล้วมันก็มีกิ่งแล้วมันก็มีใบาถามว่าทั้งหมดคืออะไรทั้งหมดคือต้นไม้แต่เราเรียกอันนี้ว่าใบ เราเรียกไอ้นี้ว่ากิ่งเราเรียกไอ้นี้ว่ารากแต่จริงๆมึงคือต้นไม้ความว่างก็เหมือนกันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นคล้ายๆว่าเป็นอาการแบบนั้นแต่อันนี้ที่ยังไม่ต้องเข้าใจแบบนั้นคือมันต้องรู้จักความว่างก่อนที่หลวงพ่อเทียนพูดรู้จํารู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้จํารู้จํำคืออย่างฟังผมจําเอาไว้นี่คือรู้จํา รู้จักคือเห็นเองสมมุติเห็นความว่างนี้แล้วรู้แจ้งคือเห็นเหมือนเดิมันแหละแต่เห็นมันเข้มข้นขึ้นเห็นมันจนรู้รู้จักมันทุกแง่ทุกมุมเนี่อรู้แจ้งแล้วก็รู้จริงอันนี้คนรู้แน่นอนละชัวร์ไม่มีพลาดแล้วว่าสิ่งที่รู้เนี่อรู้จริงๆแน่นอนไม่มีใครจะมาโกหกได้หรือว่าอะไรหลอกเราได้อีกแล้วคือเราปฏิบัติธรรมเนี่อล ร, รู้สิ่งสิ่งเดียว แต่มันลึกซึ้งขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, ม า, นมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งๆนั้นก็คือความว่างนี่แหละาการที่เรามุ่งที่จะไปเห็นสิ่งต่างๆเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเราจะเห็นตรงนั้นได้เนี่ยจริงๆเราฝึกจากความรู้สึกตัวใช่นะเรารู้สึกตัวปุ๊บเราเห็นสภาวะโกรธเกิดขึ้นปิ๊บเรามีสติในขณะนั้นเรารู้สึกตัวเรา ออกมาจากความโกรธได้หน่อยหนึ่งนั่นคือเราพ้นจากความปรุงแต่งนิดหนึ่งแล้วแต่แทนที่เราจะอยู่กับความปกติความรู้สึกตัวตรงนี้ที่เราออกมาจากความโกรธได้แล้วคนที่จิตยังไม่ตั้งมั่นพอยังไม่เป็นกลางกับความโกรธนั้นบังเอิญความโกรธไม่ได้ดับความโกรธไม่ได้ดับกลายเป็นเลยไปมองมันว่าเมื่อไหร่มันจะดับทาไมมันไม่ดับวะหันหนเขาว่ามันต้องเกิดแล้วดับ จุดนี้นะที่ความเห็นผมก็คือว่าทำให้คำสอนที่บอกไปถึงว่าให้มองอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเลยเป็นจุดที่ทำให้คนหลงไปติดกับสภาวะธรรมนั้นๆแล้วแทนที่จะหลุดออกมากลับจมเข้าไปในนั้นทำให้ติดอยู่ตรงนั้นเสียเวลาแทนที่เราจะปล่อย สภาวะความโกรธนั้นแม้ว่ามันจะไม่ดับก็าตามเพราะมันคือความปรุงแตกมันเกิดขึ้นจากความปรุงแต่งแต่เราไปดูมันแทนที่เราจะปล่อยมันไปแล้วกลับมารู้สึกตัวเพราะความรู้สึกตัวนี้มันบริสุทธิ์ในความรู้สึกตัวที่ผมเคยบอกมันไม่มีความหมายเราให้ความหมายกับความรู้สึกไม่ได้เลยเพราะมันคือพุทธะในพุทธะมันคือพ้นจากความปุงแตกพ้นจากปัญญิทั้งหลาย แทนที่เราจะอยู่กับความรู้สึกตัวนี้เรากลับไปอยู่ในสภาวะธรรมเท่ากับว่าเราก็ปล่อยพุทธะไปแล้วถูกไหมในความเป็นจริงจะพ้นยังไงวิธีก็คือต้องรู้สึกตัวชำระเรืองการชำรเรืองก็คือรู้สึกตัวนั่นแหละถูกไหมล่ ะ, ะพี่คิดเองก็ได้การชำรเรื่องต้องรู้สึกตัวเราก็ต้องรู้สึกตัวไม่จะผันมาชำเลืองได้ยังไงมันต้อง ดึงรู้สึกตึงขึ้นมาก่อนถึงจะค่อยๆชำเลืองได้อยู่ดีอยู่ในความคิดที่ชำเลืองมันเป็นไปไม่ได้มันเหมือนจมอยู่ในน้ําจะให้มองบนบกได้ยังไงที่ต้องเข้าใจว่าหลวงพ่อแต่ละองค์จะมีคําสัพของตัวเองที่ไม่เหมือนกันแต่รวมลงแล้วอ่ะอย่าลืมประเด็นสําคัญคือรวมลงแล้วเนี่ยมันคือความรู้สึกตัวเนี่ยเราปฏิบัติทุกวันนี้เพื่อจะเข้าถึงพุท ธ, ธะ พี่ต้องรู้ว่พุทธะคืออะไรพุทธะคือสภาวะที่พ้นออกจากความปรุงแต่งทั้งปวงพี่ทำยังไงก็ได้ให้พ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวงแต่มันมีแค่ทางเดียวแหคือรู้สึกตัวไม่มีทางอื่นแต่ในขณะที่พี่รู้สึกตัวเนี่ยพี่ก็ชำเลืองมองนะใช่ไหมว่าดูสังเกตรู้จักสภาวะแห่งความรู้สึกตัวนั้นมันเป็นยังไงมันไม่มีความคิดมันโล่ง มันเบามันเรียบๆไม่ขึ้นไม่ลงนี่พี่จะได้รู้จักว่าความเป็นพุทธะหรือความรู้สึกตัวมันเป็นยังไงแล้วพอพี่รู้จักมาเรื่อยๆมันก็จะเปลี่ยนจากรู้จำเป็นรู้จักพอรู้จักมากขึ้นก็เป็นรู้แจ้งรู้แบบเยอะรู้ต่อเนื่องจนรู้ถาวบอนก็รู้จริงลักษณะแบบนั้น p อ i n ก็คือว่าการเห็น สภาวะนะั่นนะเป็นเปรียบเสมือนเราอยู่บนฝั่งสมมติอยู่บนฝั่งนี้ปลอดภัยแล้วะเราก็เห็นสิ่งต่างๆลอยไปเอ่ะมันลอยมาแล้วมันก็ลอยไปมันลอยมาแล้วก็ลอยไปแต่ถามว่าสภาวะที่แท้จริงของตัวเองนะตอนนั้นอ่ะใช่การเห็นสิ่งนั้นลอยมาแล้วลอยไปหรือเปล่าไม่ใช่สภาวะตัวเองนั่งบนบกอยู่คือปกติปลอดภัยแล้วอันนี้ต่างหากเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักต้องรู้จักว่าอยากกระโดดลงไปในนั้นนะ อยากกระโดดลงไปในน้ำนะไม่งั้นมันเปียกพอมันรู้จักสภาวะบนบอกว่ามันแห้งสบายดีแบบไม่มีอะไรปลอดภัยไม่ต้องกระโดดให้เปียกสกปรกเรื่องเะไรมจะกระโดดถูกไหมเหมือนมีความโกรธเกิดขึ้นมันก็ไม่โง่จะเข้าไปในนั้นแล้ ว, วเพราะรู้มันทุกข์อ่ะก็สภาวะตอนนี้สบายดีนี่ทำไมจะต้องเข้าไปในนั้นคล้ายๆเหมือนพี่โตขึ้นมาพี่ก็อยู่ด้านที่สะอาดแล้วพอวันนึง ผมก็พาพี่ไปพี่ไปไปอยู่สลัมกันสมมุติแ้วมาอยู่ใช่ไหมเพราะามันชินกับความสะอาดแล้วแต่ถ้าวันหนึ่งที่อยู่สลัมอยู่แล้วผมก็ลากพี่ขึ้นมาจากสลัมออกมาถนนใหญ่ใหม่พี่ก็อุ้ยถนนใหญ่ก็วิ่งจับเข้าไปสลัมใหม่อย่างเงี้ยใช่ไหมก็มันยังไม่รู้จักรีอ่ามันยังไม่รู้จักว่าไอ้ตรงนี้มันสะอาดกว่านะลักษณะนั้นแต่พอมันรู้จักมันสะอาดกว่ามันไม่เอาแล้วสลัมมันเป็นแบบนั้น จิตมันคุ้นเคย ก, กับสิ่งที่ดีกว่าเนีย่ยมันไม่เอาสิ่งนั้นเองพอมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางแล้วเนี่ย <ielle> มันอยู่ในความปกติแล้วแล้วมันก็เห็นสิ่งในโลกเป็นแบบนั้นเฉยเห็นมันไม่ใช่คิดไงเป็นสภาวะของการเห็นอ๋ออันนี้เกิดปุ๊บเห็นปุ๊บพอเห็นภาวะนี้ปุ๊บเกิดดับปั๊บอะไรเงี้ยก็ผ่านไปเลยจบไม่ได้เข้าไปคิดต่อว่าเอาทุกสิ่งเกิดแล้วดับไม่ใช่เป็นแบบนั้นไงหรือไม่ใช่ไปติดอยู่ด้วยก็เหมือนเห็นอะไรผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเลยผ่านมาแล้วก็ผ มันไม่ได้ติดอะไรเลยถ้าพี่ได้รู้จักความเป็นปกตินี้อยู่ในชีวิตเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตแล้วเนี่ยเวลาพี่ตายเนี่ยพี่อาจจะตกระไดพลอยโจรก็ได้ในขณะที่จิตดวงสุดท้ายของพี่พอดีมันปกติอะ่ะมันไม่ได้ไปจับอะไรอะมันก็อยู่กับความว่างเนี่ยมันก็อัตโนมัตินิพพานเลยไม่จำเป็นไปผลาญก็ได้ก็ไม่เกิดแล้ว นี่แหละที่ท่านผู้ทานชอบพูดกระตกกระไดพลอยโจรคือแบบนี้แต่หมายความว่าพี่ต้องรู้จักความเป็นปกตินี่อยู่อยู่เป็นพื้นฐานแล้วชีวิตที่ผ่านมานมันมีแต่ความดิดหลนของจิตตลอดมันไม่เคยมีสภาวะของจิตที่ราบเรียบเป็นปกติไม่มีความต้องการอะไรไม่มีความอยากได้อะไร มันเต็มมันอิ่มมันมีความสุขที่ราบเรียบไม่ใช่ขึ้นขึ้นสูงสูงหา ม, มีความสุขหล่อเลี้ยงและทำให้มันพอเหมือนพี่กินข้าวแล้วอิ่มสบายอยู่ในห้องแอร์ไม่มีความอยากจะไปเที่ยวไหนเพราะมันมีความสุขอยู่แล้วมันจะเป็นสภาวะแบบนั้นสภาวะแบบนั้นเนี่ยเป็นความเป็นปกติอยู่มันไม่มีความดิ้นรน ตอนน้นที่ผมพูดได้คำเดียวชัดๆเลยก็ว่าจิตไม่มีความดิน้นรนแล้วในสภาวะนั้นแต่ในขณะที่เรายังอยู่ในสภาวะเดิมๆเนี่ยมันจะเป็นจิตที่เดี๋ยวตป๊บๆมันเนี่ยทำอะไรดี ว, วะหาอะไรทำเบื่อปะอไปทานี่ทำนู่นคิดจะไปทำนี่คิดจะไปทำนู่นคิดจะคิดจะตลอดเวลาแทาจะอยู่นิ่งไม่ได้ หลวงพ่อเทียนเนี่ยเคยพูดกับท่านเขมาท่านเขมาสมัยเป็นพระเนี่ยเทศเก่งเทศให้นักศึกษาฟังและมีประโยคนึงเทศว่าให้อยู่กับปัจจุบันพอเทศเสร็จหลวงพ่อเทียนบอกว่าอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็ติดอยู่ให้พ้นไปจากปัจจุบัน คำเนี้ยเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจนะแต่จริงๆลึกซึ้งมากการพูดไปอยู่กับปัจจุบันเนี่ยบางคนไปอยู่กับปัจจุบันจนเลยไปไปอยู่กับอดีตแล้วเหมือนกับที่ผมบอกว่าเหมือนก็เห็นโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ติดเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันแบบติดแล้วเข้าใจไมมันไม่ได้พ้นไปจากปัจจุบันแต่การอยู่กับปัจจุบันแบบพ้นไปเนี้ย คำศัพอีกคำหนึงของหลวงพ่อเทียนนัคือรู้แล้วผ่านเลยคำนี้สําคัญมากรู้แล้วผ่านเลยผ่านไปไหนปล่อยมันผ่านไปแล้วกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวนี่เป็นความเป็นพุทธะเกิดขึ้นอีกแล้วเห็นมันอยู่เพราะฉะนั้น p ้อ n t สำคัญมันคือการอยู่กับความรู้สึกตัวแล้วรู้จักความเป็นพุทธะนี้เอาไว้รู้จักสภาพสภาวะที่ผมบ อ, อกความเป็นปกติเนี่ย จิตตั้งมั่นและเป็นกลางนะั่นคือที่เข้าถึงพุทธะไปแล้วคือความเป็นปกติอยู่จิตจะตั้งมั่นได้จิตนั้นต้องเป็นปกติอยู่อย่างต่อเนื่องมันถึงมีสมาธิแบบตั้งมั่นได้ที่เข้าถึงความเป็นพุทธะก่อนแล้วพี่ถึงค่อยเห็นนั้นนั้นพอพี่เห็นเราก็มีการมาสรุปว่าอ๋อสภาวะใดๆที่เกิดจากจิตเนี่ยล้วนเกิดแล้วดับ ล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเป็นคําสอนจากจิตคือพุท ธ, ธะนั่นแหละเป็นคําสอนจากความที่เรารู้จักพุท ธ, ธะแล้วแต่เรามุ่งที่จะไปดูผลเราไม่มุ่งที่จะอยู่กับเหตุที่เราจะเห็นผลนั้นมันเลยเป็นปัญหาทุกวันนี้คนที่มีจิตตั้งมั่นแล้วอ่ะมันก็มีความเป็นปกติอยู่แล้วแบบแปเาบของชีวิตอยู่แล้วเพราะฉะนอะไรเกิดขึ้น ก็เห็นมันเป็นเห็นมันอยู่ภายใต้อนิจจังทุกขังอนัตตาอัตโนมัติเลย